จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝังธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระวันธรรมสวัสดิ์วันฝังธรรมเป็นวันที่สาธุชน พุทธบุตสัตว์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญดุขสมเพราะมีความศรัทธาความเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากเอาบุญหรือเอาบาปไปเท่านั้นถ้าเอาบุญไปก็เอาความสุขความเจริญไปถ้าเอาบา ก็เอาความทุกข์เอาความเสื่อมสีลไปดังนั้นพุทธบรตรสัตว์ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงมันมาวัดเพื่อมาทำบุญกันเพื่อจะได้มีบุญติดตัวไปหลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่า มีคุณประโยชน์ยิ่งกว่าบุญเป็นคุณค่าแก่จิตใจที่ไม่มีวันตายที่ยังต้องไปเวียนว่าตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ถ้ามีบุญติดตัวไปก็เหมือนกับมีทรัพย์ติดตัวไปก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าจะเกิดไปในภพไหนชาติไหนก็ตาม ก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความมีความพร้อมเพียงในสิ่งต่างๆที่ต้องการเสมอดังนั้นขอให้พวกเราพยายามมาวัดกันบ่อยๆเพราะเมื่อมาวัดแล้วเราจะได้สร้างบุญหลายประการด้วยกันเช่นทางบุญที่เกิดจากการให้ทานหรือบาลามี ทานบาลมีศีลบารมีนิคัมมาบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีอุเบกขาบาลมีนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เวลาที่เรามาวัดเวลาเราทําบุญให้ทานนี้เราก็จะได้ทานบาลมีติดตัวไปจะติดเป็นนิสัยไปทุกภพกทุกชาติ จนกว่าจะถึงที่สิ้นสุดแห่งการเมียงว่าตายเกิดดังที่พระพุทธเจ้าได้รทรงบำเพ็ญทานบารมีมาให้พวกเราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วในสมัยที่เป็นพระเวชสรรดอนก็รทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างแก่กล้าจนในที่สุดก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้ออกบำเพ็ญ ได้ตับสรุปเป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระองค์ในแต่ละภพแต่ละชาตินั่นเองนอกจากทานบา ร, รมีแล้วกส็สงเจริญศีลบา ร, รมีอย่างที่ยากิโยมได้มาเจริญกันในวันนี้คือมาสมาทานศีลห้า มาละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดโผดมดเทศเสพสุรายาเมานี่เรียกว่าเป็นศีลบารมรีถ้าบำเพ็ญไปเรื่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยไปเกิดในภพใดชาติใดก็จะชอบรักษาศีลชอบมาวัดชอบมาทาบุญแล้วถ้ามีเวลา ว่าสามารถที่จะบำเพ็ญบา ร, รมีขั้นต่อไปได้ก็ควรที่จะบำเพ็ญกันบ้าง น, นั่นก็คือเนคขมมะบา ร, รมีก็คือการถือสีนแปดนี่เนคขมมะแปลว่าการออกจากความสุขทางรูปสีกลิ่นรสไม่แสวงหาความสุขจากรูปสีกลิ่นรสผลิภัพฑ์แต่จะแสวงหาความสุข จากการทำใจให้สงบผู้ที่ถือศีินแตก็ต้องละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิทงต่างๆเช่นการดูหนังฟังเพลง ลาเว้นจากการหาความสุดจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากให้สวยให้งามแล้วก็ละเว้นจากการนอนบนฟูกหนาๆให้นอนบนพื้นธรรมดาปูเสือ่อหรือปูผ้าเพื่อจะได้ไม่นอนมากเกินไปร่างกายพอได้พักผ่อนเต็มที่แล้ว ก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนพื้นก็จะลุกขึ้นมาเพราะไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาแล้วกิเลสยังไม่อยากจะลุกยังอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่อไปอกีก <c oughs> หลายชั่วโมงเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นการส่งเ ส, สริมบรารมีทาง คือเนกรมมบาร ม, รรมีนี่คือเรื่องของเนกรมมบาร ม, รรมีต้องต้องถือศีแลแต่แล้วก็ต้องปีกวิเวกไปอยู่ตามวัดที่สงบหรืออยู่ตามสถานที่ที่สงบไม่มีคนทุกข์คล้าไม่มีรูปเสียงกลิ น, นดที่มายั่วยวนกวนใจแล้วก็ให้เจริญสติ ในอิริยาบทสี่ให้จเจริญสติในอิริยาบทสี่ควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดอะไรที่ไม่จําเป็นเพราะความคิดตรุงแต่นี้มักจะคิดไปในทางที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความฟุง้งซ่านเกิดความว้าวุนผุ่งัวขึ้นมานั่นเองถ้าไม่มีความคิดยุ ก็จะใจก็จะว่างใจก็จะเย็นจะสบายเป็นอุเบกขาไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจถ้าว่างแล้วใจก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีใครสามารถมาแย่งมาพัดพา ให้พัดผ่าจากเราไปได้เพราะอยู่ในใจของเราเกิดจากการเจริญสติเย่างต่อเนื่องในอริยบทสีนั่นเองเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินเวลากำลังทำอะไรก็ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเช่นกาลังทำงานก็ไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือเรื่องที่ยังไม่เกิดในวันพรุ่งนี้ คิดไปก็ทำให้จิตใจว้าวุ่นสุ่นโจิตใจไม่นิ่งจิตใจไม่สงบไม่มีความสุขถ้าจดจ่ออยู่กับการทางานอย่างเดียวไม่คิดเรื่องอะไรใจจะว่างใจจะเย็นใจจะสบายมีความสุขแวเวลาถ้ามีเวลาว่างจากภารกิจการงานก็นั่งหลับตาทาใจให้สงบ ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปถ้ามีใจที่จดจ่ออยู่กับบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่นานใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบปล่อยวางร่างกายชั่วคราวปล่อยวางรูปสิ่งกลิ่นลดผลตภะชั่วคราวนั่งอยู่ในอุบเบกขา ตั้งอยู่ในเอกตาวรมุสสักแต่ว่าเรามีความสุขเป็นอย่างมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการบำเพ็ญเนธขัมมะบารมีจากการเจริญสติถ้าเราไม่บำเพ็ญเนธขัมมะบามีเราก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมาทำใจให้สงบ เราก็จะไปทํางานทําการหรือไม่เช่นั้นก็ไม่ก็ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะยะใจก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความว่างสงบ ข, ของใจเมื่อใจว่างสงบแล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาคือใจจะเฉยจะไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชัง เวลาสัมผัสรับรู้อะไรก็จะเฉยถ้าไม่เฉยก็ต้องใช้การดาเพนปัญญาบารมีเพื่อมารักษาใจให้เฉยต่อไปเช่นสอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่ารักน่าจังพ่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้นแน่นอนทุกอย่างมีมาแล้วก็มีไปถ้ารักสิ่งใด เวลาสิ่งนั้นจากไปก็จะทุกข์ใจถ้าชังสิ่งใดเวลาเจอสิ่งนั้นก็จะทุกข์ใจถ้าทำใจให้เฉยๆไว้ไม่รักไม่ชังเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามสิ่งต่างๆไม่ได้ห้ามสิ่งที่เราไม่รักให้มาพบกับเราไม่ได้ห้ามสิ่งที่เรารักไม่ให้จากเราไปไม่ได้แต่เราจะสามารถรักษาใจของเราให เฉยได้ให้ไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ใจเราสัมผัสนับรู้ได้นี่คือปัญญาบารามีที่เราจะต้องเจริญควบคู่ไปกับเมตตามน์บาลมีควบคู่ไปกับอุเบกขาบารามีแล้วก็ใจของเราก็จะได้มีความน่มเย็นเป็นสุขส่วนเมตตาบา ร, รมีนี้เราก็จเจริญควบคู่กับการทำบุญให้ทาน เวลาเราทำเพื่ให้ทานขอให้เราทำด้วยจิตใจที่มีความเมตตาคือมีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นสัปเเสัตตาสุขีอัตตานังปริหับอนตุคืออยากให้ผู้อื่นมีความสุขเราจึงให้ทานเราจึงให้อะไรเข้าของเงินทองไปเพื่อเขาจะได้มีความสุข ถ้าให้แบบนี้เรียกว่าเป็นการให้ด้วยการด้วยความเมตตากรุณาอย่าให้เพราะว่าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นผลตอบแทนแม้แต่อยากจะได้สวรรค์อยากได้ทรัพย์ภายในก็ไม่ต้องไปอยากมันเพราะว่ามันได้อยู่แล้วนั่นเองการให้ทานนี้เป็นการสร้างทรัพย์ภายในเป็นการไปเกิดในสวรรค์ ไม่ต้องอยากก็ได้อยู่แล้วเหมือนกับการรับประทานอาหารไม่ต้องอยากให้อิ่มมันก็อิ่มอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราควรจะอยากเวลาเราให้ทานก็คืออยากให้ผู้อื่นมีความสุขคือเราอยากจะเจริญเมตตาบาลีนั่นเองเพื่อต่อไปเราจะได้ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะไม่คิดอยากที่จะ ทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะระมัดระวังว่าการกระทาของเรานี้จะไปทำให้ผู้อื่นเขามีความทุกข์เดือดร้อนหรือไม่ถ้ามีเราก็จะไม่ทำนี่คือเมตตาบาลีที่เราควรที่จะทำอยู่เสมอเมตตาบาลีนี้มีอยู่สองแบบแบบที่เราเรียกว่าทําการบ้าน กับแบบที่เราเข้าห้องสอบเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนเสร็จแล้วเราก็แผเ่เมตตาสัพเพสัตตาเวราหงตุอย่างนี้เป็นการทำการบ้างคือเราซ่องไว้ก่อนว่าเราขอให้สัตว์ทั้งหลายอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุดไม่เวรไม่มีเวรไม่มีกรรมกันให้อภัยต่อกันและกัน นี่เป็นการซ้อมไว่ก่อนซ้อมให้อภัยซ้อมไม่จองเวรซ้อมให้ความสุขแก่ผู้อื่นพอเวลาเราไปเจอผู้อื่นเวลานั้นถึงจะเรียกว่าเป็นเวลาเข้าห้องสอบเวลาพบผู้อื่นเราก็ต้องให้ความสุขกับเขามีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้เขาได้ให้เขามีความสุขก็แบ่งให้เขาถ้าไม่มีเวลาพบกันก็ทักทายกันยิ้มแย้ม ยิ้มแย้มใส่กันอย่าหน้าเบื่งใส่กันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเข้าห้องสอบเป็นการแผ่บารมีแผ่เมตตาบารมีอย่างแท้จริงไม่ใช่แผ่ในขณะที่อยู่คนเดียวตอนนั้นยังไม่แผ่ไปไหนเพราะไม่มีคนรับต้องแผ่ตอนที่มีคนรับโดยเฉพาะเวลาที่เขาทำให้เราโกรธนี่เป็นเวลาที่เราต้องแผ่ให้มากๆทีเดียว เวลาใครเขาโกรธเราต้องให้อภัยต้องไม่จองเวรต้องดับความโกรธให้ได้ถ้าเราดับได้แล้วใจของเราก็จะเป็นสุขจะเย็นจะสบายถ้าแผ่ไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ยังอาฆาตพยาบาทยังโกรธยังแค้นอยู่ใจก็จะรุ่นร้อนเป็นเหมือนไฟในรกเผาใจนี่คือการแผ่เมตตา ต้องแผ่ในขณะที่อยู่กับผู้อื่นไม่ใช่ในขณะที่เราอยู่คนเดียวเวลาอยู่กับผู้อื่นนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เจริญพรหมวิหารสีเพราะพรหมวิหารสีนี้จะทำให้การอยู่ร่วมกันทั้งเขาทั้งเรามีความสุดใจมีความสบายใจเช่นเวลาพบกันเราก็แผ่เมตตา ส่งความสุขยินยอมให้ต่อการทักทายกันถ้าถ้าเขาเดือดร้อนเขาขาดแคลนท้องมีความทุกข์เราก็แผ่ความกรุณาคือความสงสารช่วยเหลือเขาไปมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปถ้าเขาได้ดีได้ดีเราก็แสดงมุนิตาจิตแสดงความยินดี ไปกับความเจริญของเขาอย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปอย่าไปคิดว่าเขาทําไม่ดีแล้วได้ดี mm. เขาจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนั้นเราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นว่าเขาทําอะไรบ้างเราอาจจะเห็นบางส่วนที่เขาทําแล้วเราก็เลยคิดว่าเขาทําไม่ดีพอที่จะได้รับรางวัลได้รับ การเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเราก็เลยจะคิดไปในทางที่ไม่ดีได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปคิดในทางนั้นให้คิดว่าเขาอาจจะทำในสิ่งที่ดีที่เรามองไม่เห็นก็ได้หรืออาจจะเป็นผลบุญผลของความดีที่เขาทํามาก่อนในอดีตก็ได้ที่ส่งผลให้เขาได้รับวามสุดและความเจริญ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทำความดีหรือหรือเขาทำแต่สิ่งที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะต้องปรากฏกับเขาต่อไปการทำความดีหรือการทำความไม่ดีในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้รับผลทันทีในวันนี้อาจจะไม่ได้รับผลเลยไปนานก็ได้ แต่ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งผลที่เรากระทำนั้นในวันนี้จะต้องปรากฏขึ้นมาแน่นอนอย่างนั้นเวลาใครเขาได้ดีได้ดีก็อย่าไปคิดอิดฉาหรือเหรืออย่าไปคิดท้อแท้ท้อแท้ใจคิดว่าเราทําดีถ้าเป็นท่าตายเรากลับไม่ได้รับรางวัลกลับไม่ได้รับความสุขความเจริญเขาไม่ได้ทําดีเลย กับได้รับความสุขความเจริญอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะจะทําให้เรามีไม่มีความสุขใจมีความทุกข์ใจแล้วก็จะทําให้เราไปคิดร้ายต่อผู้เราอาจจะไปกัดแกล้งเขาก็ได้หรือไปขัดขวางเขาถ้าเรารู้ว่าเขากําลังจะได้ดิบได้ดีเราอาจจะไปกันแกล้งเขาด้วยการสร้างเหตุทําให้เขาไม่ได้รับ ความสุขความจเจริญนั้นเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปเราจะทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วต่อไปเราก็จะต้องรับผลที่ไม่ดีในเบื้องต้นจะรับความไม่สบายใจเวลาเราทำอะไรไม่ดีแล้วเราจะไม่มีความสุขใจไม่มีความสบายใจดังนั้นเวลาผู้อื่นเขาได้ดีดได้ดีหรือทำความดีพระเจ้าทรงสอนว่าให้เรา อนุโมทนาแสดงมุติลับแสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดีกับการกระทำที่ดีหรือกับการที่ได้รับผลดีของเขาแล้วเขาก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยกันส่วนในกรณีที่ว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้เช่นคนที่เรารักเขาต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถรักษาได้จะต้องตายไปภายในเวลาอันใกล้ถ้าเราไปทุกข์ไปเสียใจก็ทำให้เราเสียใจไปเปล่าๆเพราะว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเขาตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้เฉยให้ปล่อยวางให้พิจารณาว่า เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกรรมของเขาดังที่ทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเขาจะต้องตายก็ถือว่าเขาหมดบุญหรือถือว่าเช็นคราวของกรรมที่มาตามสนองเขาแล้วแล้วก็ไม่มีใครที่จะไป แก้ได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราไปทุกข์ใจไปเสียใจก็ทำให้เราเจ็บตัวไปปเปล่าเจ็บใจไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรตอนนั้นเราต้องรู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขานี่คืออุเบกขาบาณีนี่เองคือทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้ว่างด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆ โดยการควบคุมความคิดของเราเพราะถ้าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้เราก็จะไปคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทาไมต้องเป็นอย่างนี้หรือคิดโทษตัวเองว่าเราทำไม่เต็มที่หรืออย่างไรก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรพยายามควบคุมความคิดของเราอย่าให้คิดไปในทางที่ไม่ดี ถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางที่ดีท่นคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยแท้แน่นอนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเพราะว่าในโลกนี้มีความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นจะให้ความทุกข์กับเราเสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรานอกจากบุญและบาปเท่านั้นที่จะเป็นของเราที่เราจะเอาติดตัวไปได้แต่สิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสลเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกพิ้นกายนี้เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเราสามารถครอบครองไว้ได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่พอเราตายไปแล้ว เราก็จะไม่สามารถเป็นเจ้าของต่อไปได้แล้วถึงแม้เราจะกลับมาเกิดใหม่แล้วมาบอกเขาว่าของเหล่านี้เป็นของเราก็ไม่มีใครท่อเชื่อเราเขาจะไม่ยอมให้เราแล้วเพราะเขาถือว่าเป็นของเขาแล้วดังนั้นเราอย่าไปหลมยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ขอให้เรามายึดติดกับการสร้างบุญบรารมีดีกว่ามาสร้างทานบารมีมาสร้างศิงบรารมีมาสร้างเลขข่ห์ขมมาบรารมีมาสร้างเมตตาบรารมีอุเบกขาบรารมีและปัญญาบรารมีด้วยอธิษฐานบรารมีคือเราต้องตั้งใจเราต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะทำ จะสร้างบุญบาลีไปทุกเวลานาทีที่มีโอกาสจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าเราไม่ตั้งแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมประลุสร็วว่าดีอยากจะสร้างบาลีแต่พอออกไปทาธุระก็ถูกความหลงมาครอบงำก็ทาให้อยากจะมีมากขึ้นอยากจะรวยมากขึ้นอยากจะมีอายุยืนยาวนานขึ้น ก็เลยลืมมาสร้างบา ร, รมีแต่ถ้าเราสร้างจิตอธิษฐานไว้ว่าต่อไปนี้เราจะสร้างบา ร, รมีให้มากเท่าที่เราจะสามารถทำได้ในเวลาที่เราว่าในโอกาสในโอกาสที่เรามีโอกาสเราจะขอสร้างบุญบา ร, รมีเสมออย่างวันพระเราก็อาจจะตั้งจิตไว้ว่าทุกวันพระเราจะต้องเข้าวัด มาสร้างฐานบารามีสร้างศีลบารามีสร้างปัญญาบารามีเป็นต้นเราต้องมีอธิษฐานบารามีก่อนคือเราต้องมีความตั้งใจเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องสร้างสัจจะบารามีขึ้นมาคือเราต้องมีความจริงใจเราจะไม่โกหกตัวเราเองไม่ใช่บอกว่าวันนี้จะรักษาศีลแปะพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจ อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะบรารณมีถ้ามีสัจจะบรารณมีพอถึงวันพระก็ต้องรักษาสิ่งแปดถึงจะเรียกว่ามีมีสัจจะบาลามีถึงสามารถจะรักษาได้ทีนี้จะรักษาไปได้นานได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่วิ ร, ยริยะบารมีกับขันติบารามีวิริยะก็คือความอุาหะความภาคเพียง ความพยายามขันติกก็คือความอดทนเพราะการรักษาสินแปะนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าไม่พยายามจริ ง, รงๆก็จะรักษาไม่ได้เพราะใจไม่ชอบนั่นเองใจชอบไปเที่ยวใจชอบหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสกับผลผลธพาเวลาถือสินแปะนี้เหมือนกับถูกถูกตัดแขนตัดขาจะหาความสุข หลังนี้ไม่ได้เลยจะร่วมหลับนอนกับคู่ครองก็ไม่ได้จะรับประทานอาหารตอนเย็นก็รับประทานไม่ได้จะดูหนังฟังเพลงดูละครจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไปไม่ได้จะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามก็แต่งไม่ได้จะอัพหลับนอนบนชูกหน้านาก็หลับไม่ได้ถ้าไม่มีความเพียรพยายามไม่มีขันติความอดทน ก็จะไม่สามารถสร้างบารมีต่างๆได้แต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามทายากก็ทำง่ายก็ทำไม่ให้อะไรมาขัดขวางลำบากขนาดไหนเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวทุกยากอย่างไรก็จะยอมทนเพราะเวลาไม่ได้กินข้าวเย็นก็เหมือนกับเจ็บเนื้อเจ็บตัวท้องมันก็ร้องอยากจะกินข้าว แต่เราก็ต้องอดทนบอกว่าไม่ตายคนอื่นเขาอดได้เราทำไมอดไม่ได้อดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้กลิ่นแล้วแต่สิ่งที่เราจะได้จากการอดนี้เป็นสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปกับเราได้คือเราจะได้ความอดทนไปได้ความเพียรพยายามไปได้สัจจะไปได้อธิษฐานความตั้งใจไป ได้ความสงบได้ความสุขทางด้านจิตใจไปและผลที่แลตรัตตต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะบุญบารมีที่เราสร้างกันนี้เองไม่มีอะไรที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้นอกจากบุญบารมีที่เรากำลังมาบำเพ็ญกันในวันนี้เขาให้เราพยายามทำให้มากทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งปริมาณและเวลาเข้าวัดบ่อขึ้นหรือถ้าไม่เข้าวัดก็อยู่ที่บ้านทําบ้านให้เป็นวัดปฏิบัติที่ว่างก็ได้ถือศีลแปที่บ้านนั่งสมาธิที่บ้านฟังเทศฟังธรรมที่บ้านทําไปให้มากๆแล้วโอกาสที่เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีมากอาจจะได้หลุดพ้นภายในชาตินี้เลยก็ได้ เพราะมีผู้ที่ทำมาแล้วนับเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาให้แก่สัตว์โลกโล ก, ก็ปรากฏมีผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติตามจนหพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพนี้เลยเป็นจำนวนมากก็คือพระสาวโลกทั้งหลายที่เรายึดเป็นสัคัรัตนาะเป็น ส, สนำคัญสารนามกระชามีนี้เอง พวกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้ทรงสอนให้แก่มนุษย์ทั้งหลายนั่นเองเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์เราก็สามารถทำได้เพราะผู้ที่บรรลุได้ก็คือผู้ที่เป็นมนุษย์นี้เองถ้าเราเป็นเดรัจฉานนี่สิถึงเราถึงจะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าเรามาเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้ ถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถบรรลุได้แต่พบนี้ชาตินี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจึงมีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามีศรัทธาและมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียรสร้างบุญบารมีต่างๆทั้งหลาย ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วผลอันเลิศอันประเสืิอก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนไกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ก้าวหน้าลุ่งเรืองด้วยอายุวั น, นสุขภาพระโดยทั่วหน้าการเธอ